วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบสามกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นวันพระสำหรับท่านที่มีวันหยุดในวันนี้เพราะว่าความหมายที่แท้จริงของวันพระก็คือ เป็นวันหยุดทำงานทางโลกทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มาทำงานทางธรรมมาทำงานทางพระพุทธศาสนาสมัยก่อนนี้ <c oughs> วันหยุดทำงานจะตรงกับวันพระ <c oughs> แต่สมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปวันหยุด ทำงานกับวันหยุดทํางานเดิมไม่ได้ตรงกันดี๋างนี้วันหยุดทํางานไม่ได้ตรงกับวันพระเช่นวันพระที่ผ่านมาเนีน้ก็ตรงกับวันพระรหัสแต่อายาตยมต้องไปทํางานวันพระรหัสก็จะไม่สามารถมา ทำหน้าที่ของชาวพุทธได้เพราะการที่จะทำหน้าที่ของชาวพุทธได้นั้นจาเป็นจะต้องมีเวลานั่นเองถ้าต้องไปทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็จะไม่มีเวลามาทำหน้าที่ของชาวพุทธการจะเป็นชาวพุทธได้สมบูรณ์นั้น จำเป็นจะต้องทำหน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์ถึงจะถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าเป็นชาวพุทธมีแต่ความเลื่อมใสศรัทธาแต่ไม่ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิาชนก็จะไม่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเพราะจะไม่ได้รับ ประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธศาสนานั่นเองเปรียบเหมือนกับการเป็นนักเรียนแต่ไม่ทำหน้าที่ของนักเรียนคือไม่ไปเรียนหนังสือไม่ไปทำการบ้านไม่ไปสอบก็จะไม่ได้ผลจากการเป็นนักเรียนเรียนกี่ปีก็จะอยู่ช้ำ อยู่ชั้นเดิมยังไม่มีการขึ้นชั้นได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันกับการเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธนั้นต้องมีการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับจิตใจตอนนี้เป็นมนุษย์แต่จิตใจนี้สามารถยกระดับขึ้นสูงได้ กว่าการเป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็เป็นเทพได้จากเทพก็เป็นพรหมจากพรหมก็เป็นพระอริยบุคคลจนถึงพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดคือพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าก็จากการทําหน้าที่ของชาวพุทธเท่านั้นเพียงแต่นับถือศาสนาพุทธ แต่ไม่ทำหน้าที่ของชาวพุทธก็จะไม่ได้รับประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐจากพระพุทธศาสนาก็จะเป็นมนุษย์เช่นเดิมไปหรืออาจจะลงไปตามความมนุษย์ถ้าไปทำสิ่งที่ขาดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่นไปทำบาป ก, การทำบาปนี้เป็นการขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่ให้ทำบาป ก, กันเพราะการทำบาปนี้จะทำให้ลดชั้นของจิตใจให้ลงต่าจากการเป็นมนุษย์ก็จะลงต่าไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต เป็นอสุรกายและเป็นนรกตามลำดับต่อไปนี่คือความหมายของการมีวันพระสำหรับชาวพุทธเพื่อจะได้มีเวลามาทำหน้าที่ของชาวพุทธซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงกำหนดไว้สองหน้าที่ใหญ่ๆด้วยกันเรียกวาธรระ ธุระของชาวพุทธมีสองทุระทุระอันที่หนึ่งเรียกว่าคันถธทุระทุระอันที่สองเรียกว่าวิปัสนาทุระคันถธทุระแปลว่าการศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสนาทุระคือการทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาในจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้จากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือจะได้เรียนรู้ว่าตัวเรานี้เป็นอะไรกันแนะ่พวกเราทุกคนนี้คิดว่าเราเป็นร่างกายกัน คิดว่าร่างกายเป็นเรากันแต่ถ้าได้ศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันเราจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเหมือนกับคนสมัยก่อนที่ไม่มีการศึกษาก็จะคิดว่าโลกนี้แบนกัน แต่คนที่มีการศึกษาจะรู้ว่าโลกนี้ไม่แบนโลกนี้กลมเป็นเหมือนเหมือนส้มโอเหมือนลูกบอลไม่ได้แบนเป็นเหมือนแผ่นกระดาษแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนเรื่องทางวิทยาศาสตร์ก็จะคิดว่าโลกนี้แบนกัน แต่คนได้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะรู้จะเห็นว่าโลกนี้ไม่แบนโลกนี้เป็นลูกบอลลูกใหญ่โตมหัลานมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้เป็นเหมือนกับมเมล็ดสายก้อนเล็กๆมเมล็ดหนึ่งเท่านั้นเองที่ไม่สามารถมองเห็นความกลมของโลกได้เพราะว่าผิวของโลกนี้ ความคลงความกลมควา ม, ม, ว, ามว้าวของโลกนี้เป็นความกมความว้าวที่กว้างมากจนทำให้เห็นว่าเป็นเป็นพื้นเรียบพื้นกลมพื้นพื้นเรียบพื้นราบไปแต่ความจริงแล้วโลกของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทุกทุกคนที่ได้ศึกษาก็ยืนยันกัน จนในยุคปัจจุบันนี้เราไม่สงสัยเราไม่คิดว่าโลกมันแบนแล้วเพราะเขาสามารถส่งยานอวกาศออกไปจากโลกนี้แล้วถ่ายภาพของโลกนี้ส่งกลับมาให้กับผู้ที่อยู่บนโลกนี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโลกนี้ก็เป็นโลกที่กลมเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดีๆนี่เอง นี่คือผลที่เกิดจากการได้ศึกษาถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะถูกความคิดที่ไม่ตรงกับความจริงหลอกให้คิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกับตัวเราตัวเรานี้ก็ไม่ได้เป็นร่างกายแต่เรามองไม่เห็นตัวเราตัวเรานี้ เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายที่มีรูปร่างหน้าตาพอเวลาเกิดมาเราก็จะเห็นร่างกายเพียงส่วนเดียวส่วนตัวเราที่มาเกาะร่างกายนี้เราไม่เห็นกันตัวเรานี้คือใครตัวเราก็คือผู้รู้ผู้คิดนี้เอง ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆอย่างวันนี้ผู้รู้ผู้คิดก็สั่งให้ร่างกายเดินทางมาวัดเพื่อมาทําหน้าที่ของชาวพุทธมาศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกประการ นี่คือความสําคัญของการศึกษาจะเราจะได้ไม่ไปกระทําในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่เกิดคุณประโยชน์กับตัวเราตอนนี้เราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็เลยพยายามไปทําอะไรต่างๆให้กับร่างกายกันจนไม่ได้ทําอะไรให้กับตัวเราเองเลย แทนที่จะทำประโยชน์ทำความสุขให้กับตัวเราเรากับไปทำประโยชน์ไปทำความสุขให้กับร่างกายจนถึงขนาดที่กลับมาทำความทุกข์ให้กับใจทากับความทุกข์ให้กับตัวของเราเองตัวของเรานี้ที่เรียกว่าผู้รู้ผู้คิดนี้ก็มีเชื่อว่าจิตใจนี่เอง จิตใจนี้เป็นนายของร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ความหลงของใจเป็นหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจใจเลยต้องมาห่วงมาดูแลร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับความความไม่เที่ยงของร่างกาย พอใจนี้ไม่อยากให้ร่างกายต้องเป็นอะไรไปอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายไม่ตายไปแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ความจริงก็คือร่างกายมัน ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายความหลงนี้แหละจึงทำให้เราไปหวงไปห่วงไปยึดไปติดกับร่างกายเพราะคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเพราะคิดว่าเราแก่เราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายไปกับร่างกาย ทั้งๆ ท, ที่ความจริงนั้นใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายตามร่างกายไปเลยแต่เพราะความไม่รู้นี่แหละจึงมาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจทำให้ใจนี้ไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงเลยมีความสุขก็เป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็หนีไม่พ้นความทุกข์ เพราะว่าจะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บและเจอความตายกันและทุกครั้งที่คิดหรือเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะทุกข์กันความทุกข์นี้ก็ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ความทุกข์นี้เกิดจากความหลงเกิดจากความอยากให้ร่างกายนี้ ที่หลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรานี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปนั่นเองนี่แหละคือเรื่องราวที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับตัวพวกเราพวกเราทุกคนนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเวลามาก่อติดกับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาที่ร่างกายกับจิตใจ แยกทางกันคือเวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจนี้เราก็เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณไปเท่านั้นเองเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราทํากันในขณะที่มีร่างกายเช่นตอนนี้ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่บางวันเราก็ทําบุญ บางวันเราก็ทำบาปทำบุญทำบาปมากหรือน้อยก็อยู่ที่ความสามารถของเราความเชื่อของเราถ้าเรามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเราก็จะทำบาปน้อยเราก็จะทำบุญมากถ้าเราไม่เชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็มักจะไปทำบาปมากกว่าไปทำบุญเพราะเราคนที่ไม่เชื่อนี้จะไม่รู้ว่าใจนี้ที่ทำบุญทำบาปนี้ไม่ได้เป็นร่างกายและจะต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วคนที่ไม่เชื่อคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะคิดว่า เวลาที่ร่างกายตายแล้วใครเป็นคนไปรับผลบุญผลบาปเพราะเขาคิดว่าพอร่างกายตายไปตัวเขาก็ตายไปกับร่างกายด้วยซึ่งอันนี้เป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ตรงกับความเป็นจริงนั่นเองเพราะความจริงนั้นผู้ที่จะรับผลและเป็นผู้ที่กระทำก็คือใจนี้เอง ใจทำบุญใจก็จะสะสมความสุขความเย็ยนใจใจที่ทำบาปก็จะสะสมความทุกข์ความร้อนใจเอาไว้พอเวลาที่ไม่มีร่างกายก็ขึ้นอยู่กับว่าความเย็ยนใจสุขใจกับความทุกข์ใจร้อนใจนี้อันไหนจะมากกว่ากันถ้า ความเย็ยนมากกว่าความร้อนใจก็เย็ยนใจที่เย็ยนนี้เราก็เรียกว่าเป็นสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลนะขึ้นอยู่กับกำลังของบุญที่ได้สะ ส, ะสมเอาไว้ก็จะทำให้ใจนี้เป็นใจเย็ยนใจมีความสุขใจที่สูงส่งเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพรนพะอริยบุคคลบ้าง ในทางตรงกันข้ามถ้าใจทําบาปมากกว่าทําบุญใจสะสมความทุกข์ความร้อนมากกว่าความเย็นความสุขใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์อยู่ด้วยความร้อนชนิดต่างๆทุกข์ด้วยความร้อนทุกข์ที่เกิดจากความโลภ ก, <Yeah. S 1> ก็เรียกว่าเปรด ใจที่ทุกข์กับความกลัวก็เรียกว่าอาสุรกายใจที่ทุกข์กับความอาฆาตพยาบาทก็เรียกว่านรกนี่แหละคือกฎแห่งกรรมผู้กระทาก็คือใจผู้รับผลของกรรมก็คือใจใจก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพของบุญและบาปโดยอัตโนมัติไม่มีใครมาเป็นผู้ ให้ผลต่อการกระทาเหมือนกับเวลาที่เราเปิดเปิดพัดลมหรือเปิดเครื่องปรับอากาศเปิดเครื่องปรับอากาศปั๊บเครื่องปรับอากาศมันก็จะผลิตความเย็นออกมา ท, าทันทีเวลาเราจุดไฟติดไฟหุงข้าวติดไฟไว้หุงข้าวไฟมันก็จะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีมันเป็นผลที่เกิดจากการกระทา บุญหรือทำบาปไม่มีใครมาทำให้ใจร้อนใจทุกข์ใจเย็นหรือใจสุขมีใจตัวเองนี่แหละที่เป็นผู้กระทำทำบุญแล้วใจก็จะเย็นใจก็จะมีความสุขทำบาปแล้วใจก็จะทุกข์ใจก็จะร้อน <c oughs> ผู้ที่ไม่เชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่กลัวบาปกัน เขาคิดว่าอย่างมากก็แค่ตายทำบาปแล้วเวลาตายก็ไม่ต้องไปรับผลบาปนั้นไปกลัวบาปทำไมถ้ากลัวบาปก็จะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้กันคนในโรื่อนี้อยากได้ดะลามยศสารเสริญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพะต่างๆก็มักจะทำด้วยการกระทำบาปกันเพราะทำบาปมันทำให้ได้มันง่ายกว่าการไม่ทาบาปนั่นเอง การไม่ทำบาสนี้กว่าจะได้เงินมาซื้อสิ่งต่างๆแต่ละชิ้นแต่ละอันนี้มันต้องใช้เวลามากใช้ความสามารถมากแต่ถ้าสามารถทำด้วยการช่อโกงได้สามารถทำให้ได้มาอย่างเร็วไวคนจึงมักจะไม่ไม่ไม่กลัวบาป ก, กันคนมักจะทำบาสมักจะช่อโกงกันกงด้วยหลากหลายวิธีด้วยกัน แล้วแต่ความคิดความสามารถของแต่ละคนเพราะคิดว่าชีวิตของตนเองก็มีแค่ร่างกายนี้เท่านั้นเองตายไปแล้วก็ไม่มีใครจะมาจับไปติดคุกติดตารางไม่มีใครจะมาจับร่างกายนี้ไปลงโทษตีกต่อไปยังไม่กลัวบาปกันคนที่ไม่เชื่อคำสั่งคำสอนเพราะไม่รู้ว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นร่างกาย ตนเองเป็นใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่จะต้องไปรับผลของการกระทำบาปของตนส่วนพวกที่เชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าร่างกายนี้ตายไปแต่ใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นดวงวิญญาณอยู่ในโลกทิพย์ที่จะมีความสุขมากสุขน้อย ทุกมากทุกน้อยก็อยู่ที่การกระทำของตนเองนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เรามาทำหน้าที่ของชาวพุทธคือทำหน้าที่ศึกษาเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนศึกษาแล้วขั้นต่อไปเราก็นำเอาไปปฏิบัติ นอกจากรู้ว่าเราเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายชั่วคราวพอร่างกายตายไปเราก็กลายเป็นดวงวิญญาณอยู่โดยที่ไม่มีร่างกายได้อยู่ในโลกทิพย์ไปแต่เราก็จะอยู่ในโลกทิพย์ได้ชั่วคราวเดี๋ยวพอบุญหรือบาปที่เราทํานั้นมันหมดกําลังลงมันไม่ส่งผลให้กับ ดวงวิญญาณดวงวิญญาณเราก็จะมาได้ร่างกายอันใหม่เพราะสิ่งที่มีอยู่ในใจนี้ต้องการร่างกายอันใหม่นั่นเองสิ่งอะไรที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่ทำให้เราอยากมีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆอสิ่งก็สิ่งที่ทำให้เราอยากมีร่างกายก็คือกามาตัณหาอนี่เองภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา กามาตัณหาแปลว่าความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆอยากดูอยากฟังอยากริมรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบกับร่างกายาเวลาสัมผัสแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมานั่นเองนี่แหละเป็นตัวที่ผักดันให้ใจนี้ยังต้องกลับมา มีร่างกายอันใหม่นอกจากอยากมีอยากเสพรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ยังอยากมีอยากเป็นอยากมีเงินมีทองอยากมีข้าวมีของมีอะไรต่างๆก็เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นคนใหญ่คนโตอยากเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นมหาเศรษฐี แล้วก็มีความอยากไม่มีไม่เป็นอยากไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆอยากไม่มีภัยต่างๆมาทำลายอยากไม่ติดเชื้ออยากไม่เป็นก็คืออยากไม่ยากจนอยากไม่แก่อยากไม่ตายความอยากสามตัวนี้ที่มันเป็นตัวที่ ผักดันให้ดวงวิญญาณที่เวลาบุญและบาปหมดกำลังที่จะส่งผลให้กับดวงวิญญาณนี้ดวงวิญญาณนี้ก็จะมาเข้าคิวรอจังหวะเวลาที่มีการสร้างร่างกายอันใหม่ก็คือเวลามีการผสมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่นั่นเองพอมีการผสมพันธ์มีการก่อตัว ตัวขึ้นมาใหม่ดวงวิญญาณก็จะมาครอบครองเป็นเจ้าของทันที <c oughs> แล้วพอคลอดออกมาก็มาคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายเพื่อพอร่างกายจเจริญเติบโตจะได้เอาไปใช้ตามความอยากเอาไปหารูปเสียงกลิ่นลดปวดทพะเอาไปหาราบยศสรสรสุขกัน แต่ก็หาได้ช่่ยระยะเวลาของชีวิตของร่างกายเท่านั้นที่เป็นของที่ไม่ถาวรที่ไม่อยู่ไปตลอดร่างกายก็จเจริญเติบโตพอจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะแก่แล้วก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ตายไปพอตายไปใจก็ แยกทางกันแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็รอให้ผลบุญผลบาปหมดกาลังแล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ก็จะทําอย่างนี้มาไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นเราก็จะเรียนรู้ว่าสถานภาพของตัวเราคือของใจหรือของวิญญาณของพวกเหล่านี้ก็ไม่ต่างจากนักโทษดีๆนี่ ใจของพวกเรานี้เป็นนักโทษที่ติดอยู่ในเรือนจําเรือนจํานี้มีกําแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านหนึ่งเรียกว่าแก่ด้านหนึ่งเรียกว่าเจ็บและอีกด้านหนึ่งเรียกว่าตายเนี่ยเราติดคุกอยู่ในเรือนจํานี้มาเป็นเวลาอันยาวนานไม่เคยได้เล่นรอดออกจากคุกอันนี้เลยเดี๋ยว เล็ดลอดก็เล็ดลอดออกจากคุกชั่วคราวไปเป็นวิญญาณใตวิญญาณก็มีคุกของวิญญาณไปเป็นเทพแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมจากเทพไปเกิดเป็นเทพแล้วก็ต้องมาพอตายจากเทพก็ลงมาเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานพอตายจากเดรัจฉานก็มาเป็นมนุษย์มันก็สลับกันไปอย่างนี้ไม่ว่าจะไปเกิดพบไหนภูมิใด จะสุขมากสุขน้อยทุกมากทุกน้อยไม่นานก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาติดคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายใหม่ไม่มีวันที่จะเล่นลอดออกจากคุกตารางนี้ไปได้เลยจนกว่าจะได้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเห็นว่า วิธีที่จะออกจากคุกตรางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ออกอย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีใครรู้เลยทุกคนจะต้องติดคุกไปแบบตลอดชีวิตของจิตใจซึ่งชีวิตของจิตใจก็คือตลอดอนันตการเพราะจิตใจไม่มีวันตายไม่มีวันสิ้นสุด จิตใจก็เลยต้องติดคุกอยู่ในคุกของการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเรียกว่าสังสารวัฏนี่โลกของสังสารวัฏโลกของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์โตสัตว์สูงสัตว์ต่งต้องเวียนว่ายตายเกิดยกเว้นสัตว์ที่เป็นพระอริยบุคคลนั้นที่จะสามารถ เล่นรอดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้จะออกได้ก็ต้องมีคนฉลาดมาค้นพบทางออกจากคุกตารางอันนี้ก็คือการตัดสรุของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าตัดสรุอะไรพระพุทธเจ้าตัดสรุ้ว่าพวกเราเป็นดวงวิญญาณกันดวงจิตดวงใจกัน ที่มาติดอยู่ในคุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและเหตุที่ดึงให้เรามาติดอยู่ในคุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือความอยากทั้งสามนี้ karma ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้ามีก a ม m a ตัณหาก็จะทำให้เราติดอยู่ในกาม m พบกันพบที่มีการเสด็กามถ้าเรามีภาวะตัณหา เราก็จะไปติดอยู่ในภพที่มีการเสบรูปประชานกันถ้าเรามีวิภาวะทันหาเราก็จะไปติดอยู่ในภพที่มีการเสบรูปประชานกันรูประภพอรูประภพเป็นผลของภาวะทันหาวิภาวะทันหากามะภพเป็นผลของกามะทันหา ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในการมาพบกันเพราะการไปติดในรูปประชานกับอารูปประชา น, นี้เป็นของที่ยากมากการจะเข้าฌานได้แต่ละครั้งนี้เป็นของที่ยากมากส่วนใหญ่จึงไม่ไม่ไปเสบรูปรูปประชานหรืออารูปประชานกันจะไปเสพกรรมกันเสพรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพักกันและพบของกรรมมพบนี้ก็ แบ่งไว้เป็นสองสซีกด้วยกันซีกที่มีความสุขกับซีกที่มีความทุกข์พวกที่เสพกามด้วยการทำบุญทาทานก็จะเสพกามในซีกของสุขติพวกที่เสพกามด้วยการทำบาปก็จะไปอยู่ในซีกของทุกขติกามภพนี้แบ่งไว้เป็นสองซีกตรงกลางก็คือภพของมนุษย์ ซีกเซกที่เหนือกว่ามนุษย์เรียกว่าสุกติคือซีกของพระของเทวดาของพรหมแล้วก็ซีกของทุกขติก็เป็นซีกของพวกเปรตเบลชานอสุลกายนรกนี่คือพวกที่เสกกรรมกันพวกที่เสกการมแต่ไม่ทำบาปก็ไม่ไปอยู่ในซีกของทุกขติ พวกที่เสพกามแล้วทำทำบาปก็จะไปอยู่ในซีของทุกขติส่วนพวกที่ไม่เสพการเช่นพวกที่ถือศีลแปดพวกนักบวชก็ไปเสพรูปปัจจานารูปปัจจานก็จะไปติดอยู่ในรูปภพหรืออารูปภพแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าไม่ว่าจะไปอยู่ในภพไหนเดีย๋ยวเหตุที่พาให้ไปอยู่ในภพนั้นหมดกําลังลง ก็จะต้องเลื่อนกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาสร้างพบกันใหม่อีกสร้างการมมพบด้วยการเสพกรรมสร้างรูปประพบด้วยการเสพ ร, รูปประชานสร้างอารูปประพบด้วยการเสป ร, รูปประชานกันนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าที่จะมาทรงค้นพบสาเหตุ ของการติดอยู่ในตายพนี้ว่าติดเพราะอะไรก็ติดเพราะการมะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้เองและการที่จะออกจากไตรภพนี้ได้ก็ต้องละการมะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้ให้ได้เท่านั้นเองแล้วก็สงคนพบวิธีที่จะละ ตัณหาทั้งสามนี้ได้ถ้าใครสามารถปฏิบัติตามวิธีที่จะทำให้ละตัณหาทั้งสามนี้ได้ก็จะหลุดออกจากไตรภพได้วิธีที่พระเจ้าสองคนพบที่จะทำให้จิตใจที่ติดอยู่ในไตยภพนี้ได้หลุดออกจากสังสารวัฏออกจากไตยภพก็คือการปฏิบัติ ทานศีลภาวนานี้การปฏิบัติทานศีลและภาวนานี้เ่การละตัณหาทั้งสามนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการละตัณหาทั้งสามนี้เช่นทานทานนี้ละตัณหาได้อย่างไรก็เวลาเรามีเงินมีเวลาอยากจะไปเที่ยวกันเราก็จะ ใช้เงินนี้ไปเที่ยวกันไปจองตัว๋วไปจองที่พักไปจองร้านอาหารไปจองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเราจะได้เสพการกันนั่นเองเสพรูปเสียงกลิ่นรสพระพุทธจาก็บอกว่าให้เอาเงินที่จะไปใช้การเสพการนี้มาทาบุญทาทานแทนอย่าไปใช้กับการเสพการเพราะจะทำให้ติดแลวจะต้อง เสพกามอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้การอยากจะเสพกามลดกําลังลงแต่ไม่หมดแต่ก็เป็นเหมือนกับการตัดกิ่งตัดก้านของต้นไม้ก่อนเป็นการเริ่มต้นของการละกามในขั้นต้นสําหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆเพราะว่าการจะไปตัดต้นไม้ไปถอนรากถอนโคนของต้นไม้เลยนี้สําหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นี้ ยังไม่มีกำลังเพียงพอทำได้อย่างมากก็เพียงแต่ตัดจุ่งตัดใบตัดก้านเพื่อไม่ให้มันงอกงามไม่ให้มันเจริญเติบโตมากขึ้นท่านเองเนี่ยทานการทาทานก็เป็นการนิลอน้ทธะการมาตัญหาให้มันน้อยลงไปให้มันเบาบางลงไป พอเราทุกครั้งที่เราอยากจะไปเที่ยวอยากไปเสพการด้วยใช้ด้วยการใช้เงินทองเราเอาเงินทองนั้นไปทำบุญแทนแล้วเราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเสพการความสุขที่ได้จากการเสพการเป็นความสุขที่ชั่วคราวและเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพแล้วจะติดครั้งต่อไปมันอยากไปอีกอยากเที่ยวอีก แล้วพอไม่ได้เที่ยวมันก็จะทุกข์มันก็จะหดเหงื่ใจแต่ถ้าเอาเงินที่ไปใช้ในการเสพกามนี่มาทำบุญทำทานนี้เวลาครั้งต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากเที่ยวหรือมีก็จะน้อยลงไปเบาลงไปมันจะทำให้ไม่รู้สึกทุกข์ทรมานใจเวลาที่ไม่มีเงินไปเที่ยวเพราะว่าเอาเงินไปทำบุญทาทานแทน แล้วความสุขที่ได้จากการทําบุญทาทานก็จะติดค้างอยู่ในใจได้นานกว่าทำให้เราทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญที่เราได้ทำทานที่เราได้ทำก็ยังทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มเอิบใจขึ้นมา mm hmm. ถึงแม้จะไม่ได้ทําบุญทําทานใหม่เราก็จะไม่เดือดร้อน mm hmm. ถ้าเราสามารถใช้เงินที่เราไปซื้อ การเสพการต่างๆคือเอาไปเลี้ยงกามาตัะหาคูง่ง่ายๆกามาตัะหานี้จะเจริญเติบโตจะมียุยืออยนยาวนานหรือสั้นลงนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราเลี้ยงดูมันหรือไม่เลี้ยงดูมันการเลี้ยงดูมันก็คือทําตามคําสั่งมันถ้ากามาตหาสั่งให้ไปเที่ยวก็ไปอย่าง เ, าเงี้ยเราเลียงเราเลี้ยงดูมันถ้ามันสั่งให้เราไปเที่ยวแล้วเราไม่ไปเราไปอยู่วัดดีกว่าไป ไปปฏิบัติธรรมดีกว่าเอาเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่วัดดีกว่าอย่างนี้มันก็จะเป็นการบอนไซต้นไม้กามาตัญหาไม่ให้มันเจริญเติบโตมากกว่าที่มันเป็นอยู่ความอยากในการมันก็จะค่อยๆลดลงไปสังเกตดูถ้าเราเสพอะไรนะั่นมันจะรุนแรงขึ้นเสพการครั้งแรก ไม่พอเดี๋ยวครั้งที่สองต้องเบิ้ลต้องสักสองครั้งสามครั้งต่อไปสามครั้งก็ไม่พอต้องเอามันห้าหกครั้งไปเลยก็มีเพราะความอยากเสพกามนี้มันจะไม่ทำให้ความอิ่มความพอเกิดขึ้นแต่กลับสร้างความอยากความต้องการเสพเพิ่มมากขึ้นแล้วพอไม่ได้เสพก็โกรธเหงียดใจทรมานใจํำคาญใจขึ้นไมอันนี้ คือขั้นที่หนึ่งของการที่เราจะละการมารตัญหาคือละด้วยการด้วยการเอาเงินทองที่เราจะใช้กับการไปเสพการนี้ไปทําบุญทําทานแทนทุกครั้งถ้าทํานี้ได้ต่อไปความอยากไปเที่ยวจะไม่มีเชื่อรับประกันได้ความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆนี้จะหายไป แล้วมันจะทำให้เราอยากจะทำบุญมากกว่าทำบุญแล้วมีความสุขใจอิ่มใจมากกว่าทุกครั้งมีบุญแทนที่จะคิดจะไปเที่ยวไปทำบุญดีกว่าแล้วนอกจากการทำบุญด้วยการทำทานแล้วเวลาไปวัดก็จะได้มีโอกาสทำบุญหรือละตัณหาความอยากให้น้อยลงไปเพิ่มได้มากขึ้นอีกด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาทานศีลภาวนา มันสนับสนุนกันถ้าเราทําทานได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็อยากจะเข้าวัดอยากจะไปหาความสุขจากการภาวนาอยากจะไปหาความสุขจากการรักษาศีลศีลในที่นี้ก็หมายถึงศีลแปดศีลห้านี่เป็นศีลที่เรารักษาในยามปกติยามที่เรายังไม่ได้ภาวนาแต่ถ้าเราต้องการภาวนาเพื่อละความอยากให้หมดไปจากใจ นี่เราต้องถือศีลแปดกันการถือศีลแปดก็เป็นการเบรกการมาตัญหานี่เองเพราะถ้าเราถือศีลแปดแล้วเราก็จะไปเที่ยวไม่ได้จะไปหาความสุขจากการรับประทานอาหารไม่ได้รับประทานได้ก็เพียงแค่ครึ่งวันทนั้นเองหลังจากครึ่งวันก็ห้ามรับประทานอาหารหาความสุขจากการล่่มหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้ หาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้หาความสุขจากการนอนมากเกินไปก็ไม่ได้ให้นอนบนพื้นแข็งๆมันจะได้ไม่ไม่สุขไม่สบายจนเกินไปถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆมันนอนมันจะสุขมากแล้วมันก็จะไม่อยากจะลุกมันก็จะนอนมากเกินไป เ, เพื่อการที่ถือศีลแปดนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ เอาเวลาที่เราไปใช้กับการเสพกามนี้มาใช้กับการสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขใจที่เกิดจากขั้นต้นก็เกิดจากการทำทาน <c oughs> การทำทานนี้เรากำลังสร้างความสุขอีกแบบหนึงคือความสุขใจ <c oughs> แล้วการมารักษาศีลศีลห้าก็ทำให้เรามีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาเราไม่ทำบาปแล้วใจเราจะเย็นจะสบาย เวลาเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ดัดพฤติผิดประเวณีไม่ได้โกโหกหลอกลวงไม่ได้เสพสุรายาเมาใจของเราจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายอันนี้ก็เป็นการการละปัญหาปัญหาน้ที่อยากจะไปทำบาปทำกรรมไปทำเรื่องที่ไม่ดีต่างๆพอเราถือศีลห้าได้มันก็จะทำให้เราใจเราเย็นขึ้นมีความสุขมากขึ้น ปัญหาความอยากก็จะลดน้อยลงไปแ ล, แล้วพอเรามีเวลาว่างเช่นวันหยุดวันหยุดวันทํางานเราก็จะคิดไปวัดกันไปคิดไปวดัดไปฟังเทศฟังธรรม<ๆ>การนั่งเฉยๆฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการระงับความอยากไว้ได้ชั่วะระยะหนึง่งเ<ๆ>พราะตอนฟังธรรมนี้จะไปดูไปฟังไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดอะไรก็ทําไม่ได้ ก็ทำให้ใจสงบมีความสุขแล้วก็ถ้าเรามีเวลาอยู่วัดได้ทั้งวันทั้งคืนเราก็จะได้มีเวลาไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้เรานิ่งให้สงบเพิ่มมากขึ้นเวลาใจเรานิ่งใจเราสงบเราก็จะทำให้ความอยากนั้นหยุดทำงานชั่วราว เป็นการละความอยากแบบชั่วคราวไปก่อนหยุดความอยากแบบชั่วคราวไปก่อนในขั้นแรกของการภาวนาคือการเจริญสติการนั่งสมาธิอันนี้เป็นการเป็นการระงับการหาความสุขทางทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เปลี่ยนการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้ มาเสพความสงบแทนมาทาใจให้นิ่งให้สงบด้วยกำลังของสติถ้าเรามีสติเราสามารถหยุดความคิดได้ถ้าเราหยุดความคิดได้ใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะนิ่งแล้วพอจิตพอใจนิ่งใจสงบแล้วใจก็จะเย็นใจก็จะมีความสุขขึ้นมาถ้าได้ความสุขแบบนี้แล้วต่อไปก็จะไม่สนใจ กับความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันสุขที่ไม่เท่ากันความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งป่วงสุขที่เราได้จากรูปสิ่อขีดล้นนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี้เบี่ยงเหมือนฟ้ากับดิน <c oughs> นั้นถ้าใครลองได้เข้าสมาธิได้ ถ้าสัมผัสกับความสงบได้แล้วจะไม่สนใจกับการหาความสุขจากลูกเสียงเกลื่อร้อนเดกต่อไปในเบื้องต้นนี้มันก็ยังอาจจะเป็นลูกผีลูกคนอยู่เวลาที่ไม่มีสติเวลาที่ไม่มีความสงบความอยากที่จะเสพลูกเสียงเกิน่นร้อนมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้และวิธีที่จะทำให้มันไม่โผล่ขึ้นมาเลยตลอดอย่างถาวร ก็ต้องใช้ปัญญาขั้นภาวนาทีเ่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วขาวเวลาเสร็จก็มีความสุขพอเสด็จเสร็จแล้วความสุขนั้นก็จางหายไปเหมือนควัญไฟทาให้เกิดความหิวเกิดความอยาก จะเสพอยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความหงุดหงิดใจเกิดความทรมานใจนี่คือการใช้ปัญญาสอนให้เห็นโทษของการเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นหน่วยการเสพยาเสพติดพ<ม>วกเราทุกคนไม่เสพยาเสพติดเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าถึงแม้มันจะให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขชั่วคราว แล้วพอเราติดแล้วเราจะเดือดร้อนเพราะเวลาติดแล้วเราจะต้องหามาเสกอยู่เรื่อยๆและเวลาที่เราหามาเสกไม่ได้เราจะทุกข์มากจะทรมานใจเราก็เลยไม่กล้าเสกยาเสกติดกันฉันใดรูปเสียงกลิ่นลดผลถพะก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนยาเสกติดดีๆนี่เราก็ต้องสอนใจให้เห็นว่าการไปติดรูปเสียงกลิ่นลดผลถภานี้จะทาให้เราต้องทุกข์ใจในภายหลัง ตอนต้นที่เราเสพเราจะมีความสุขแต่เวลาที่เราไม่ได้เสพเวลานั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราสามารถสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขเดียวเดียวแเดียวมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วเราไปสั่งให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราตลอดเวลาก็ไม่ได้ เพราะเวลาเราเสพแล้วมันก็หมดไปเช่นเงินทองพอใช้ไปแล้วมันก็หมดกระสังว่าขอให้มีเงินใช้ไปใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดก็ทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็ดีเลยไม่ต้องไปหาเงินมีแต่ใช้อย่างเดียวใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่มันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันจะต้องมีวันหมดพอเวลามันหมดความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาสอนใจ ไม่ให้ไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ไปเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสพอเราสามารถหยุดได้เราก็จะไม่ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปถ้าเกิดเราตายไปเราก็จะไม่ต้องมาเกิดในการมาพบพอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้เมื่อไม่ต้องการเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไป ไม่ต้องมาเกิดนามีร่างกายของมนุษย์แต่เรายังจะไปติดอยู่ในรูปภพกับรูปภพเพราะว่าเราจะไปติดกับความสงบที่เราได้จากการจากการพิรนาทางปัญญาเพื่อปล่อยเพื่อปล่อยการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสแต่เราก็จะมาติดกับความสุขที่ได้จากความสงบก็ยัาทางทาให้เรายังติดอยู่ในรูปภพและรูปภพอยู่ ตอนนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาความสงบที่ของสมาธิของรูปฌานกับรูปฌานว่าเป็นความสงบที่ไม่เที่ยงเหมือนกันรูปฌานกับรูปฌานนี้มันไม่ได้เป็นสงบตลอดเวลาเวลาเข้าสมาธิมันก็เกิดขึ้นเวลาออกจากสมาธิมามันก็หายไปพอมันหายไปใจเราก็จะรู้สึกหนาว่้าเว ขาดความสุขที่เกิดจากรูปประจางหรือว่ารูปปัจจางอันนี้ก็ต้องมาสอนใจให้ละการเสด ร, รูปประจางหรือรูปปัจจางอีกครั้งหนึ่งเพราะเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนกามเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่เที่ยงที่เป็นความสุขชั่วคราว<ม>ที่จะทําให้ใจทุกข์ได้เวลาที่ไม่มีไม่มีรูปประจางหรือว่ารูปปัจจางให้เสดก<ม>็อะไรพอพิจารณาด้วยปัญญาเช่นเดียวกับการพิจารณา เรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสใจก็จะปล่อยรูปประชานอรูปประชานไม่เสบรูปรรประชานอรูปประชานเสบความว่างแทนเสบการไม่มีอะไรแทนพร้อมเสบความไม่มีอะไรแทนก็จะได้กับได้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะความว่างนี้ไม่มีวันหมดความว่างนี้ไม่มีสิ้นสุดเสบเท่าไหรก็ไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับเสบรูปเสียงกลิ่นรส เสพรูปประชานอรูปประชานมันก็ยังมีวันหมดอยู่พอไม่ต้องเสพรูปเสียงกินลดได้ไม่เสบรูปประชานอรูปประชานได้ก็ละการมาตัญหาได้ภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้พอละกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวตัญหาได้หมดจิตก็ไม่มีอะไรดึงมาเกิดติกต่อไปไม่เกิดในใจพบไม่เกิดในกามาพไม่เกิดในรูปประพบไม่เกิดในอรูปประพบ ใจที่ไม่มาเกิดเราเรียกว่านิพานนี่หรือพราะอารหันต์พระพุทธเจ้านี่คือใจที่ละตัณหาทั้งสามได้หมดด้วยการเจริญทานศีลภาวนาตามลำดับตามกำลังของผู้ปฏิบัติเบื้องต้นก็ละเท่าที่จะทำได้ก่อนเช่นตอนนี้พยายามละการเสกการม ทุกครั้งจะไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปทำบุญทำทานทไปเข้าวัดไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันจะเห็นความสุขที่แตกต่างกันกับความสุขที่ได้จากการเสพกางความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้มันมีความเย็นมีความสบายมันไม่รุ่มร้อนเหมือนกับการเสพกางกัน การเสกการมนี้มันจะมีความรู้สึกรุ่มร้อนใจและรู้สึกหมุดหงิดใจเวลาที่ไม่ได้เสกล้วต่อไปมันก็อยากจะไปเพิ่มความสุขด้วยการไปภาวนาไปอยู่วัดถ้าภาวนาเบื้องต้นภาวนาไม่เป็นก็ไปเรียนก่อนไปเข้าคอร์สก่อนเขามีหลักสูตรไปอยู่เจ็ดวั น, นเขาจะมีตารางของการปฏิบัติให้เรา วัดตื่นกี่โมงทําอะไรบ้างเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไหว้พระเสด็จเมื่อการกระทำเหล่านี้เป็นการฝึกจิตให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญานถ้าเราเดินจงกรมทําอะไรให้มีสติเรากําลังฝึกสติก้าวหนอวางหนอย่างหนอกินหนอเคี่ยวหนอคืนหนอเนี่ย เป็นการฝึกสติให้ใจเราอยู่กับร่างกายไม่ให้ใจเราไปที่นู่นที่นี่ไม่ให้คิดเลื่อยเปื่อยเราต้องการหยุดความคิดสตินี้เป็นเครื่องมือในการที่จะหยุดความคิดเพื่อใจจะได้สงบเป็นสมาธิได้เวลาเราเดินจงกรมเวลาเราทำอะไรเขาจะสอนให้เรามีสติก่อนแล้วพอเรานั่งสมาธิเราก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือยุบหนอพองหนอหรือพุทโธ อันนี้ก็เป็นการดึงใจให้หยุดคิดเพื่อให้ใจเป็นสมาธิขึ้นมาส่วนการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการสอนเรื่องปัญญาให้เรารู้ว่าสาเหตุของความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้ก็เกิดจากกิเลสตัณหาการมาตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณห า, า, หาและวิธีที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือการเห็นใจรักในสิ่งที่เราอยากได้นั่นเอง mm hmm. เห็นใจรักในการมาคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรดเห็นใจรักในรูปประชานอาูปประชางตามลำดับต่อไป mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เร า, เราไปเรียนกันถ้าเบื้องต้นเราไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรแต่ในที่สุดเราจะต้องปฏิบัติเองคนเดียวแต่นะเบื้องต้นเหมือนกับการหัดว่ายน้ำว่ายน้าไม่เป็นก็ต้องไปหั ไปเรียนกับครูสอนไหว้น้ำก่อนครูก็จะสอนวิธีไหายน้ําให้พอเราไหวยน้ําเปแล้วต่อไปเราก็จะไหว้ของเราเองเราจะไม่รอให้คนอื่นมาไหว้กับเราเราอยากจะไหวยเวลาไหนเราก็ไปไหวยได้การปฏิบัติก็เหมือนกันในเบื้องตน้นนี้ถ้าเราปฏิบัติเองไม่เป็นไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันบ้างต้องทําอะไรกันบ้างทาเพื่ออะไรเราก็ไปเรียนก่อนไปเรียนการปฏิบัติน การเรียน ก, ก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติว่าทำอย่างไรงเช่นวันนี้มาฟั่งเทศฟังศ่งธรรมก็มาเรียนในระดับนึ่งเรียนให้รู้ว่าเราต้องทาอะไรเราต้องทำทานรักษาศีลแล้วภาวนาตอนนี้เราอาจจะเข้าใจเรื่องการทำทานนะแต่เรื่องการรักษาศีลภาวนานี่เรายังอาจจะไม่เข้าใจเราก็ต้องไปเรียนหลักสูตรที่เขาสอนสอนให้เราไปถือศีลแปดกันสอนให้เราไป เดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นั่งนั่งสมาธิกันอันนี้เขาจะมีตารางเ็วันเจ็ดคืนนี้เราจะไม่ให้พูดคุยกันเพื่อเป็นการควบคุมความคิดนั่นเงเวลาคูดพูดคุยกันแล้วจิตมันก็จะฟุ้งคิดไม่หยุดไม่หย่อนบางทีแล้วคุยกันแล้วยังมาคิดยังมาคิดอยู่กับตัวคนเดียวอยู่นั่นถ้าไปถ้าไปคิดนะมันก็จะไม่เกิดประโยชน์จะไม่ได้ผลจากการปฏิบัติ สำนักปฏิบัติส่วนใหญ่เขาถึงจะไม่ให้คุยกันหรือถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดให้น้อยที่สุดให้มีสติคอยควบคุมกายวาจาใจให้สงบโดยเฉพาะใจไม่ให้ดิ้นไม่ให้ไปคิดถึงอดีตไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตให้รู้เฉยๆให้อยู่กับปัจจุบันเราก็จะมีเวลาสำรักพูดที่เริ่มใหม่ว่าให้ตื่นกี่โมงตื่นตีสลงโบสถสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วก็ไปทําสะความสะอาดร่างกายอาบน้ําอาบท่าทําความสะอาดที่อยู่อาศัยหรืออะไรก็ตามแล้วก็เตรียมรับประทานอาหารรับประทานอาหารเสร็จก็ให้ไปปฏิบัติแต่ไปเดินจงกรมเวลารับประทานอาหารไม่ให้นั่งสมาธิเพราะนั่งแล้วมันจะหลับกันหนังท้องตึงแล้วหนังตามันจะหย่อน เวลารับประทานอาหารเสร็จนี้อย่านั่งสมาธิให้เดินจงกรมแทนจเจริญสติแทนเดินไปพุทโธพุทโธไปแล้วอก้าวหนอไปก้าวซ้ายก้าวขวาไปควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วพอหายหายง่วงแล้วก็นั่งสมาธิต่อแล้วก็ จ, จะมีการฟังเทศฟังธรรมตา ม, ตามตามตารางหลังจากนั้นตอนบ่ายก็อาจจะมีการดื่มน้ําน้ําปานะดื่มน้ําอะไร เพราะว่าถือศีลแปดไม่มีการรับประทานอาหารบางทีเขาจะให้รับประทานแค่มื้อเดียวมื้อเช้าอย่างเดียวพอนะตกบ่ายก็อาจจะรู้สึกหิวบ้างก็ให้ดื่มของที่มีน้ําตาลเช่นน้ำผลไม้น้ำเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่มีเนื้อไม่มีกะอย่างนี้ก็ดื่มได้แล้วก็ตกเย็นก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติต่อเดินจงกรมนั่งสมาธิ ฟังเทศฟังธรรมถึงประมาณสี่ทุ่มก็ปล่อยให้กลับไปนอนนี่คือหลักสูตรของการปฏิบัติถ้ า, ถ, าถ้าจะปฏิบัติต้องปฏิบัติตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เวลาที่ตื่นนี่ว่างจากการปฏิบัติเลยการปฏิบัตินั้นถึงจะก้าวหน้าคืบหน้าการละ ก, กิเลสละความอยากมันถึงจะเป็นไปได้อย่างต่อเ น, นื่องเวลาใดที่เราไม่ปฏิบัติขอให้เราทราบว่าเวลานั้นเรากําลังปล่อยให้ความอยากมันออกมาสั ออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับเราเวลาที่เราปฏิบัตินี้เราจะคุมมันไว้ไม่ให้มันออกมา <c oughs> สแสดงความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเรานี่คือการศึกษาเรียนรู้ถ้าเราปฏิบัติเองไม่ได้เราก็ไปเรียนก่อนแต่พอเรารู้แล้วต่อไปเราปฏิบัติเองได้เราก็สบายแล้วทีนี้ไม่ต้องไปเข้าหลักสูตรวันไหนว่างจะไปวัดไปปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ หรือวันไหนว่างอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่มีใครมารบกวนเราก็ทําบ้านนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นไปที่วัดเสมอไปคําว่าวัดนี้ความจริงหมายถึงที่สงบนะถ้าไปที่วัดแล้วมีแต่มีแต่เสียงอย่าก็ทึกบคึกโคมมีมหอรสถมีบันเทิงมีงานศพมีงานอะไรต่างๆอันนั้นไม่ถือเป็นวัดทางศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธนี้วัดต้องเป็นที่สงบสงัดวิเวก ที่ไม่มีอะไรส่งเสียงบรบกวนมีเป็นที่ส่งเสริมการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาถึงจะเรียกว่าเป็นวัดได้ถ้าเรามีเวลาว่างมากเช่นหยุดหลายวันเช่นอาทิตย์หน้าหยุดสี่วันเรา จ, จะวางแผนว่าไปอยู่ที่ไหนดีหาที่สงบไปปฏิบัติดีถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วแต่ถ้ า, ายังไม่รู้เราไปสมัครไปเรียนตามหลักสูตรเทากัน ซึ่งมีที่หลายที่ที่เขามีหลักสูตรสอนผู้ที่เริ่มต้นเพื่อจะได้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเรามีสองหัวข้อใหญ่ๆคันธัตุระคือศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อละความอยากต่างๆเพื่อดับความทุกข์จงังๆเพื่อตัดการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าคันธัตุระพอเรียนแล้วเราก็ไปปฏิบัติต่อ ปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะละตัณหาต่างๆไปตามลาดับจนในที่สุดก็หมดไปถ้ายังไม่หมดเราก็ต้องปฏิบัติต่อไปยังหยุดไม่ได้เหมือนไฟถ้ามันยังไม่ดับเรายังหยุดเรายยังหยุดฉีดไฟฉีดน้ำไม่ได้ยังต้องคอยฉีดน้ำไปเรื่อยๆจนกว่าไฟมันจะดับหมดเราถึงจะหยุดฉีดน้า การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติจนกว่าความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจมันหายไปหมด <c oughs> พอหมดแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจเราแล้วไม่มีความทุกข์แล้วใจของเราว่างว่างจากความทุกข์ว่างจากความอยากต่างๆเราก็รู้ว่าใจของเรานี้ได้เป็นนิพพานไปแล้วโดยที่ไม่ต้องไปถามใคร สันติโกธรรมของพระุทธเจ้านี้เป็นสันติโกผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติของตนเอง <Yeah. S 1> ยังไม่จำเป็นจะต้องไปสอบอารมณ์ไม่ต้องไปทดสอบอารมณ์กับใครทดสอบกับตัวเราเองนี่แหละ <c oughs> ดีที่สุด <Yeah. S 1> นี่ก็คือเรื่องราวของการใช้วันหยุดทำงานให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงผู้ที่ทาหน้าที่ของชาวพุทธ คือคันธุระและวิปัสนาธุระเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยะทาวาฤวาาปุราปริป ah ุเรณติสากลัง เอวเมวะอิโตตินังเปตาังอุปกปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปะเมวะสนิชัตุสัพเทปุเรนตุสังก p ปาจันโทปนาวาโสยธามณิโชติวาโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัปปารโขวิญญาติสตุ มาเตภาวตวันตาายสุขีทีคายยโกภวะอาพิวาธนสีลิสะวิจังวุธาปจายูจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังล <c oughs> ำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคาถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามเองก็ได้เข้ามาที่ข้างหน้านี้เอาไมโครโฟนไปพูดถ้าไม่อยากจะเข้ามาข้างหน้าเ<ม>ขียนส่งข้อความเข้ามาก็ได้ใส่กระดาษหรือเข้ามาทางเพจทาง youtube ก็ได้อย่างนี้มีช่องทางหลายช่องทางด้วยกันที่สามารถถามคำถามได้<ม>วันนี้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ คลับนมัสการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 418 YouTube พระสุชาติไลฟ์238 YouTube ดกรวี102วิทยุออนไลน์7 c l ับ h ฮ u s e 14ผู้รับฟังนากุติ106รวม885ท่านเจ้าค่ะ <c oughs> ถ้ามีคําถามอะไรก็เชิญอ่านถามได้คําถามจากคุณอีฟเดสตินีเจ้าค่ะขอกาเรียนถามพระอาจารย์จิตเสื่อมจะต้องแก้อย่างไรเจ้าคะก็ทำให้มันจเจริญซิมันเสื่อมวันทำมันเสื่อมเพราะกิเลสมันจเจริญเพราะทำอะไรถ้าไปทําตามกิเลสมันก็เสื่อมถ้าไปโล่ไปโกรธไปหลงไปอยากไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันก็เสื่อม พยายามให้มันเจริญก็ไปภาวนาไปทําทานสีบภาวนามันก็จะเจริญคําถามจากคุณกันนิกามีทิพย์เจ้าค่ะเด็กอายุสี่ขวบบุญบาปยังไม่รู้จักเลยแต่ได้มาเสียชีวิตไปแบบนี้จิตของเด็กคนนี้เขาจะไปที่ไหนเจ้าคะถ้าไม่มีบุญไม่มีบาปมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเพียงแต่ ว, ว่าต้องรอคิวนะเี่ยคิวไม่รู้ยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค okay. พอมีโอกาส ม, มีเหตุมีปัจจัยให้ได้ร่างกายใหม่มันก็ไปเกิดใหมงั้นเด็กบางคนกลับมาเกิดเร็วยังจําความเก่าได้บางทีเกิดใกล้ๆกับบ้านเดิมจําเอาบ้านอยู่ตรงนู้เคยอยู่ตรงนี้นมาก่อนเนี่ยที่เราลึกชาติได้เพราะว่าอาจจะกลับมาเกิดเร็วแล้วก็พอเห็นบ้านเห็นอะไรก็จําได้คําถามจากคุณทิติชยาลีลาวณิกิจเจ้าค่ะ วันนี้โยมลองไปนั่งสมาธิกลางแดดร้อนระยะเวลาครึ่งชั่วโมงสิ่งที่เห็นคือร่างกายเหมือนอยู่ในบ้านจิตเหมือนอยู่ในบ้านในร่างกายภายในเหมือนอยู่ในบ้านไม่ได้ร้อนรู้สึกสงบถ้าไม่ได้สัมผัสความร้อนของร่างกายจะไม่แสบร้อนเปรียบเหมือนบ้านเลยเจ้าคะ่ะถ้าจับที่ผิวหนังก็จะรู้สึกแสบร้อนขึ้นมาร่างกายเหมือนบ้านแบบนี้จิตของหนูคิดถูกไหมเจ้าคะ อยู่ที่ว่ามันมันทุกข์แอไม่ทุกข์กับความร้อนของร่างกายความเจ็บปวดของร่างกายถ้าจิตเย็นจิตเฉยก็ถูกถ้าจิตเด้นจิตทรมานก็ผิดนี่เรามาปฏิบัติการเพื่อให้มันไม่ให้ดิ้นให้มันดิ้ น, ใ ห, น, น, ใ, ห น, นให้มันสงบกับทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะอะไรมากระทบก็ไม่ดิ้นใครชมก็ไม่ดิ้นใครด่าก็ไม่ดิ้น ทกมากระทบก็ไม่ดิน้นสุกมากระทบก็ไม่ดิน้นเฉยๆหมดคำถามจากคุณนันทพัฒพรมสุวง์เจ้าค่ะขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะน้ำมะเขือเทศสามารถดื่มเป็นน้ำปานะหลังเที่ยงสําหรับผู้ถือศีลแปดได้ไหมเจ้าคะคิดว่าไม่ได้นะเพราะมะเขือเทศนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ เ, เป็นผลไม้ฉั้นก็ไม่ เท่าที่ทราบมานะไม่เคยดื่มนาทีนีนแล้วก็ไม่มีใครถวายเอาพวกที่น้ำที่เป็นน้ำส้มน้ำองุ่นน้าแอปเปิล น, น้ำผลไม้ ก, ก็ต้องผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากาปั้นเช่นส้มโอก็ไม่ได้มะพร้าวก็ไม่ได้สับประรดก็ไม่ได้เอามาขั้นเอาน้ำมันดื่มไม่ได้ต้องเป็นน้ำของผลไม้ที่ไม่ไม่เกินขนาดกาปั้น แล้วก็ต้องกรองถ้ามีเนื้อมีมีเมล็ดก็ต้องกรองให้หมดให้อาบน้ำเปล่าๆคำถามจากคุณมินสุดารัต ถ้าหนูไม่ได้มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและเข้าใจในกฎของไตรรักดีแต่ก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ยึดติด ก, กับร่างกายและระลึกอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราไปได้ตลอดแบบนี้มีอะไรที่หนูทำไม่ตรงกับพระธรรมไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเราทุกกับมันหรือไม่ถ้า ย, ยังทุกอยู่ อย่างอยากจะให้มันมีอาหารดีๆอาหารที่สุขภาพอยู่นะแล้วเกิดวันหนึ่งอาจจะไม่มีปัญญาซื้ออาหารสุขภาพมากินได้แล้วทุกใจถ้าอย่างนี้ก็ก็ผิดนะแต่ถ้ามีมีกำลังซื้อจะซื้ออาหารเพื่อสุขภาพมาก็ไม่เสียหายตรงไหนการดูแลร่างกายให้มันมีสุขภาพแข็งแรงก็ดีแต่ต้องรู้จักมัชิมาทางสายกลางต้องรู้ว่ามันมากเกินไปหรือเปล่า ถ้ามากเกินไปมันก็กลายเป็นกิเลสได้น้อยเกินไปก็ถ้าเราไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นไรดูแลไปตามหลัตธรรคำถามจากคุณมีชัยเจ้าค่ะมีสองคำถา ม, มคำถามที่หนึ่งการปฏิบัติสมาธินี้ให้ดูที่ผลคือความสุขสงบของใจใช่ไหมครับ<ม>เวลานานหรือไม่านานนี้เป็นเรื่องรองลงมาใช่ไหมครับ อันนั้นก็ถูกแต่ส่วนที่ถูกอีกส่วนนึงก็ต้องดูที่เหตุด้วยถ้าเหตุมันไม่มีมันก็ไม่มีผลยังต้องดูว่าเรามีสติหรือไม่เวลาที่เรานั่งสติเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับพุทโธหรือไม่ต้องดูตัวนี้แล้วผลมันก็จะเป็นตัวปรากฏขึ้นมาว่าจะสงบไหมสงบมากสงบน้อยอยู่ที่กําลังของสติงัเวลาปฏิบัติไม่ต้องไปคํานึงถึงผลไม่ต้องไปคํานึงถึงเวลา ให้กำหนดถึงเหตุคือสติของเราเพียงอย่างเดียวคำถามที่สองเวลาออกจากสมาธิแล้วค่อยมาพิจารณาสอนใจด้วยปัญญาอย่างนี้ถูกวิธีไหมครับและผมขอความรู้และเพิ่มเติมต่อครับสาธุครับถูกจะพิจารณาปัญญานี้ต้องทำตอนที่ออกจากสมาธิแล้วอยู่ในสมาธินี้ไม่ควรพิจารณาเพราะต้องการให้จิต น, นิ่งเป็นสมาธินา น, า น, าน เพื่อให้มีอุเบกขามากๆถ้าได้สมาธิใหม่ๆยังมีอุเบกขาน้อยอยู่ก็ควรที่จะเจริญสติก่อนต่อไปก่อนเพื่อสร้างสมาธิให้มากขึ้นเพื่อสร้างอุเบกขาให้มากขึ้นก่อนจนเราได้สมาธิอุเบกขาเต็มร้อยเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเข้าแล้วก็นิ่งสงบเป็นอุเบกขานาน หอัจากสมาธิมาอุเบกขาก็ยังค้างอยู่กับใจนานๆอย่างนั้นนะ่ะถึงพร้อมที่จะไปเจริญปัญญาต่อไปเพราะถ้าเจริญปัญญาโดยไม่มีอุเบกขาก็ระ ง, งับกิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้คำถามจากคุณเซนเจ้าคะ่ะโยมภาวนาด้วยวิธีอนาปานาสติมาอย่างต่อเนื่องมาปีครึ่ง และทำทานเมื่อมีโอกาสแต่เวลาทำบุญเช่นโอนเงินบริจาคไม่รู้สึกมีความปรับเพื้อมเหมือนคนอื่นคือแค่พอใจที่ได้ทำแบบนี้จิตจะยังคงบันทึกการทำบุญนี้ใหม่เจ้าคาบันทึกมันอยู่ที่การปรับเปิมนี่บางทีก็อยู่ประเภทของบุญที่เราทำเราชอบบุญแบบไหนเราทำแบบนั้นนวมันรู้สึกปรับเมกับทบุญที่เราไม่ชอบ แต่การให้ไม่ว่าจะให้แบบไหนมันก็เกิดความรู้สึกพอใจอิ่มใจสุขใจแต่อาจจะไม่ปลื้มปลื้มนี้เป็นเหมือนกับเวลาเรารับประทานอาหารนะถ้ารับรับประทานอาหารที่ถูกปากเราก็ปลื้มแต่ถ้าเราไม่รับไม่ไม่ได้รับประทานอาหารที่ถูกปากเราไม่ปลื้มแต่เราก็ยังอิ่มอาหารทุกชนิดให้ความอิ่มทานทุกชนิดก็จะให้ความอิ่มแต่ทานทุกชนิดอาจจะไม่ให้ความปลื้มเท่ากัน ความเพิ่ม น, นี้อยู่ที่ความพอใจของผู้ให้บางคนปพืมเพราะได้ทำบุญกับพ่อแม่ได้ดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็เพิ่มได้บางคนเพืมเพราะได้ปล่อยไปปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาป ล, ปล่อยปูปล่อยอะไรบางคนเพื่มเพราะว่าได้สร้างเจดีบางคนแล้วแต่ความปพื้มของแต่ละคนร น, น, นีมันอยู่ที่อยู่ที่ความชอบในการทำบุญว่าเราชอบทาบุญประเภทไหน ดั้นไม่ต้องกังวลถ้าไม่เพิ่มไม่เป็นไรหมายรู้สึกว่าเรามีความสบายใจสุขใจพอใจอิ่มใจภูมิใจที่เราได้เสียสละที่เราได้ชนะกิเลสคือตัณหาความอยากกิเลสมันอยากจะขอเงินไปซื้อเสื้อใหม่ตัวหนึ่งเอาไปทําบุญดีกว่าอย่างเงี hmm. ้ยเราเอาตรงนี้ดีกว่าทำเพื่อชนะกิเลสทาชนะความตนีความหวงเงินทองที่ไม่จําเป็นจะต้องมีถ้ามีก็ต้องหวง พรมันต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงตัวเราไม่เพราะถ้าเราไม่มีเราก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เนี่เราต้องเลี้ยงดูตั ว, วเราเงินทางที่จําเป็นจะต้องเลี้ยงดูตัวเราก็ต้องห่วงแต่เงินทางที่เป็นส่วนเกินที่ไม่จําเป็นจะต้องมีนี่ก็อยากไปห่วงเอาแจากไปเลยมันจะได้หมดกังวลหมดห่วงกันคําถามจากประเทศลาวเจ้าค่ะเลี้ยงเพนพระทําทบุญให้ผีไม่มีญาติแบบนี้จะได้อนิสงฆ์ไหมเจ้าคะ ได้ก็ได้ทานได้ทำได้ได้บุญทำทานคำถามจากคุณนัดเจ้าค่ะเราปฏิบัติธรรมแต่เมื่อเวลาแก่เจ็บป่วยด้วยทุกขเวทนาจะลงไปอบายไหมครับก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำว่าไหนมันมากน้อยกว่ากันนะถ้าบุญมากกว่าบาปมันก็ไม่ลงถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็ลง คำถามจากคุณปลาง่าเจ้าคะ่ะคนตา่างคนที่ต่างศาสนาเมื่อตายไปแล้วดวงจิตจะไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดตามบุตธบาปไหมเจ้าคะลูกสาวบอกว่าคุณพ่อที่โบศร์ว่าเมื่อตายแล้วจะไม่มาเกิดเพราะมีความเชื่อว่ามีชีวิตนี้มีชาติเดียวแต่ลูกสาวมาทำบุญที่วัดพุทธกับหนูบ่อยๆเจ้าคะ่ะอ๋อดวงวิญญาณดวงจิตทุกดวงเหมือนกันไม่ว่าจะนับถืออะไรก็ตาม ยังต้องไปเกิดตามใดที่ยังมีความอยากอยู่ในใจแล้วยังมีกามะทันหาภาวะทันหาวิภาวะทันหาอยู่นี่ต้องไม่เกิด<ม>เกิดใหม่เหมือนกันตอนนี้คําถามยังไม่มีมาเพิ่มเจ้าค่ะมันไม่ได้อยู่ที่การนับถือาศาสนาหรือความเชื่อเชื่อว่าเชื่อว่าจะไม่เกิดมันมันก็ดีจะได้ไม่เกิดไม่ต้องมางั่นปฏิบัติให้เหนื่อยให้ยากกินให้เต็มที่อยากจะเสดเวลาก็เสดไม้เต็มที่แต่เชื่อว่าตายแล้วไม่ไปเกิด เพาะคิดว่าตายแล้วศูนย์บางทีคิดว่าร่างกายมีแค่เพียงร่างกายเพราะตายแล้วก็ศูนย์ทุกอย่างก็จบเน้นตอนนี้ก็เอาให้มันเต็มที่เลยอยากจะกินอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะเที่ยวอยากจะทําอะไรก็ทําให้มันเต็มที่เพราะเวลาตายไปแล้วมันจบมันไม่จบเลยถ้าจบก็ดีเลยจะได้ไม่ต้องมาบวชเจอขอลาสึกขาไปเที่ยวแล้หน่อย <laughs> <laughs> ยังไม่มีคําถามเข้ามาเลย มีเจ้าค่ ะ, ะมีกายอยากจะถามอะไรัหมถามได้นะไม่ต้องอายคำถามนี้ไม่ได้แสดงว่าเรางโงน่นะเพราะคำถามอาจจะบอกว่าเราสูงขนาดไหนก็ได้เราอยู่ขั้นไหนก็ได้เพราะคำถามมันมีหลายระดับระดับทานก็มีระดับศีลก็มีระดับสติก็มีระดับสมาธิระดับปัญญาปัญญาก็มีหลายระดับระดับโสดาบันก็มีระดับสกิดาคางก็มี ระดับอนาคาก็มีระดับอรหันต์ก็มีงั้นการถามคำถามนี้ไม่ได้แสดงว่าเราโง่แสดงว่าเราอยู่ในระดับไหนมากกว่างั้นไม่ต้องอายแล้วคนที่อยู่ต่ากว่าเราเขาจะไม่รู้ว่าเราอยู่ระดับไหนคนที่สูงกว่าเราเท่านั้นเขาถึงจะรู้ว่าเราอยู่ระดับไหนงั้นไม่ต้องอายเพราะเราก็ไปปิดกั้นคนที่ฉลาดกว่าเราไม่ได้เขามองตาเราเขาก็รู้เราแล้วว่าเราอยู่ระดับไหน หลายคนโง่ด้่มองคนฉลาดหมมองไม่ออกไม่รู้ว่าเขาฉลาดกับเราหรือเปล่าคำถามจากคุณปานเจ้าค่ะถ้าเราถือศีลทำบุญสม่ำเสมอตอนที่มีชีวิตแต่โชคร้ายก่อนตายจิตเศร้าหมองจนปอาบายไม่มีญาติทำบุญให้แบบนี้บุญที่เราทำมาจะช่วยให้เราผลจากอบายได้ด้วยตนเองไหมเจ้าคะถ้ามากกว่ บ, บาปก็ช่วยได้ มันอยู่ที่บุญกับบาปที่มันจะแย่งดวงวิญญาณของเราบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางอบายบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงเราไปทางสวรรค์เหมือนที่เขาเล่นชักกะเยอะกันฝ่ายไหนมีแรงมากกว่าก็ดึงไปฝ่ายให้มายานสร้างบุญให้มากกว่าบาปเวลาตายรับประกันได้จะหลงจะไม่หลงหรืออะไรนี่มันเป็นความคิดเพ้อเจ้อปบุญกับบาปมันจะตวเป็น ตัดสินใจว่าเราจะหลงหรือไม่หลงเราจะไปอาบายือไม่ไปอาบานไม่ได้อยู่ที่ความคิดความกังวลของเราเรอย่าอยากไปกังวลขอให้กังวลว่าเราทำบุญมากพอหรือยังทำบาลดลดบาปลงได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีทำาทาบุญได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีขอให้ทำแค่นี้แล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ลดความอยากให้น้อยลงไป ล, ลดความอยากให้มันหายไปหมดเลยก็ไม่กลับมาเกิด คำถามจากแม่จ๋า ก, กับน้องมีนาเจ้าค่ะกราบเรียนถามเจ้าค่ะถ้าโยมอยากได้หนังสือธรรมะของพระอาจารย์โยนต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็มารับไปสิ <c oughs> อยากเหนที่นี้ไม่มีบริการส่งขออภัยด้วยไม่มีเคอรี่ไม่มีอะไรเห็นถ้าอยากจะได้หนังสือก็มารับตอนนี้มีแจกทุกวันที่มีการแสดงธรรมขออภัยด้วยเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาคอยรับส่ง หนังสือเพามันเป็นภาระกับคนอื่นงั้นก็สมัยนี้ก็อ่านในในในเว็บไซต์ได้มีหนังสือที่ใส่อยู่ในไฟล์ pdf เ, เข้าไปที่เว็บไซต์ของทสุชาต com เข้าไปดูที่หนังสือจะมีหนังสือต่างๆที่เราพิมพขึ้นมาสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ซึ่งดาวน์โหลดเดี๋ยนี้ก็รวดเร็วมากมือถือนี่เขากดปุ๊บมันก็ขึ้นมาละ ในมือถือดีกว่าสะดวกกว่าถ้าอยากจะได้เป็นเล่มเป็นกระดาษก็ต้องมาที่วัดมาที่นี่เท่านั้นถึงจะได้รับไปคําถามจากคุณนวินเจ้าค่ะเวลาเราเสียชีวิตนมามขันยังติดตามดวงจิตไปใช่ไหมครับถึงทําให้ระลึกชาติได้ใช่นมามขันก็อยู่กับจิตเนี่ยเป็นเป็นส่วนประกอบของจิตจิตนนมีนามขันสี่มีเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณมันเป็นส่วนประกอบ หรือเป็นบริวารของจิตก็ว่าได้มันเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ให้กับจิตจิตเองนี้คิดไม่เป็นคิดไม่ได้จิตไม่มีความสามารถที่จะคิดต้องอาศัยขันต้องอาศัยสังขารขันเป็นผู้คิดจำได้ไหมรู้ก็ต้องอาศัยสัญญารู้สึกก็ต้องอาศัยเวทนารับรู้รูปเสียงจิตแล้ก็ต้องอาศัยวิญญาตัวจิตเองเป็นกต่เป็นผู้รู้เท่านั้นเอง ผู้รู้แล้วก็ผู้ผู้ที่ผู้ที่จะเป็นผู้ไปสั่งให้สังขารสัญญาทํางานต่ออีกทีคําถามจากครูเจีย๊ยบเจ้าค่ะหลังจากนั่งสมาธิจําเป็นต้องแผ่เมตตาอุทิศบุญใหม่เจ้าคะเวลาแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เจอกันอยู่คนเดียวแผ่ไม่ได้เวลาเจอกันถึงแผ่เจอกันก็เาขนมมาฝากนี่เรียกแผ่เมตตา เวลาเขาพูดอะไรไม่ดีทำให้เราโกรธก็ให้อาภัยเขาอย่าไปโกรธเขานี่คือการแผ่เมตตาส่วนอุทิศบุญนี้เราจะไม่นิยมใช้บุญที่ได้จากการภาวนาไปอุทิศอยากจะอุทิศบุญนี้พระุทธเจ้าสอนให้ใช้การทาบุญทาทานคำถามจากคุณพีระเจ้าค่ะจิตสุดท้ายก่อนตายถ้าบริกรรมพุทโธอย่างเดียวจะไปสุคติไหมครับถ้าตอนนี้บริกรรมไม่ได้จิตสุดท้ายก็บริกรรมไม่ได้ เห็นต้อ ด, ด, ดูดูจิตปัจจุบันเป็นักเพราะเวลาตายมันตายในปัจจุบันนะจิตสุดท้ายก็ตายในจิตมันตายในปัจจุบันมันไม่ตายในอดีตมันไม่ตายในอนาคตเวลาตายมันตายในปัจจุบันเห็นดูปัจจุบันว่าเราบริกรรมพุโทโธได้หรือเปล่าถ้าเราบริกรรมพุโทโธได้เวลาจิตสุดท้ายเราก็บริกรรมได้คําถามจากคุณ V Explore เจ้าค่ะ ถ้าเราโชคร้ายเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมแต่ถ้าเราทำบุญถือศีลตลอดตอนมีชีวิตอยู่เราจะไปสู่สุคติเองได้ใช่ไหมเจ้าคะแม้ตอนตายจะทรมานเศร้าหมองอะเจ้าคะ่ะก็อย่างที่พูดเสมอเนี่ยว่าอันไหมันมากกว่ากันบุญที่เราทำกับบาปที่เราทำอัไหนมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่าก็ไปอบายถ้าบุญมากกว่าก็ไปสอน <c oughs> คำถามจากคุณพงศักดิ์เจ้าคะ่ะ เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงถูกสุนัข ก, กัดตายเรานําเขามาปลงว่าทุกชีวิตเหมือนกันเกิดสงสารและสวดสหัสสนาให้ด้วยตนเองเช่นนี้ผมทําบาปหรือไม่ที่นําพระธรรมมาใช้กับสัตว์แต่ในใจผมคิดว่าผมไม่ผิดกราบนมัสการถามครับการใช้พระธรรมนี้ไม่ได้ใช้กับสัตว์เราใช้กับเราให้เราไม่ไปทุกข์กับเขาเข้าใจไหมให้เราปลงว่าเนี่ยมันเป็นอนิจอนาตา สัตว์ทั้งหลายมันก็เกิดมาแล้วก็ต้องตายห้ามกันไม่ได้เนั้นเวลาตายก็ถือว่าเป็นหมดวาระของเขาที่จะอยู่เป็นสัตว์ชนิดนี้เท่านั้นเองเพื่อเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับเขาส่วนสัตว์นี้เขาไปแล้วตามบุญตามบาปของเขาเราทำอะไรให้เขาไม่ได้ที่เราสวยกันนี้เพื่อทําใจของคนอยู่ให้ไม่ให้ทุกข์มากเกินไปเท่านั้น คำถามจากคุณ The Multiversal Unity เจ้าค่ะเวลาพิจารณาธรรมต่างๆจิตยืนอยู่ในอรูปฌานอยากทราบว่าจะติดอยู่อรูปพบไหมครับและต้องทําอย่างไรหรือไม่ครับเวลาอยู่ในรรอรูปฌานหรืวอรูปฌานนี้พิจารณาอะไรไม่ได้เหมือนคนนอนหลับไปทํางานไม่ได้คนต้องตื่นขึ้นมาก่อนแล้วถึงค่อยไปทํางานคําถามจากคุณชานนิพาเจ้าค่ะ เด็กๆที่บ้านไม่เข้าใจว่าทำไมถวายเงินให้พระหรือทำบุญมากจะได้บุญมากทำไมถึงต้องยึดติดปริมาณเราจะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไรดีเจ้าคะเคยบอกว่าก็เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารยิ่งฝากมากก็ยิ่งได้สะสมเงินไว้มากเจ้าคะ่ะก็เวลาถามว่าเวลาพ่อให้เงินมากก็ให้เงินน้อย <c oughs> หนูมีความสุขอัานไหนมากกว่ากันมันก็เห็นชัดๆอยู่เนี่ย ถามมันดูเลยเวลาพ่อให้สิบาทก็ให้ร้อยบาทอนี้ห น, น, นูมีความรู้สึกยังไงนั่นแหละก็แบบเดียวกันนั่นแหละเวลาพ่อให้สิบาทก็ไม่ค่อยรู้สึกมีความสุขเท่ากับให้ลูกร้อยบาทอาจารย์นะบุญคือความสุขใจอยู่ที่ใจของเราแล้วคนรับก็ก็ได้บุญเหมือนกันในความสุขใจมากน้อยเท่ากันใช่ไหมเหมือนกันให้มากก็สุขมากคนรับได้รับมากก็สุขมากคนให้มากก็สุขมาก คนให้น้อยก็สุกน้อยคนรับน้อยก็สุกน้อยคนไม่รับเลยก็ทุกข์ก็ไม่สุขเลยคำถามจากคุณทิติชยาลีลาวณิกจเจ้าค่ะหนูเพิ่งเข้าใจธรรมโอโซดสำหรับหนูผ่าสมองมาสี่ครั้งแล้วผ่าตัดมาหลายรอบเพราะเคยเป็นแม่ค้าฆ่ า, าสัตว์แต่ปัจจุบันเน้นปฏิบัติธรรมถือศีลเลยไม่กลัวตายธรรมะเหมือนยาใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ยาล้ครับความทุกข์ใจความทุกข์ใจไม่เหมือนโลกโลกของใจถ้ามียาธรรมโอสดใจก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายคำถามจากคุณธนเดชเจ้าค่ะอยากให้แม่กระผมมีสีห้าต้องพูดอย่างไรดีครับเห็นท่านผิดสีแล้วผมไม่สบายใจเลยเ อ, อ๋ออยากไม่ได้หรอกอันนี้เป็นเรื่องของแม่ครับเป็นเรื่องของแม่ชวนแม่ได้อยู่ ใช่อบายชวนแม่วันนี้เรารักษาสินห้าด้วยกันไหม อ, อย่างนี้ได้อยู่ส่วนแม่เขาจะรักษาไม่รักษานี่เราไปบังคับเขาไม่ได้คําถามจากคุณดวงใจเจ้าคะ่ะโยมรักษาศินแปดที่บ้านทุกวันพระเพ ร, ะเพราะอยู่คนเดียวเลยสะดวกอยากกลาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมนอนที่นอนปิกนิกที่สูงแค่หนึ่งนิ้วจะได้ไหมเจ้าคะหรือนอนได้แค่ปูเสือ่อคือสูงไม่สูงไม่สําคัญขอให้มันแข็งขอให้พื้นมันแข็ง สูงสองเมตรก็ได้แต่ขอให้มันเป็นพื้นไม้บางทีมันแปลสับภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยต่างๆกันผิดเตียงใหญ่เพียงมโหรานะบางทีความหมายมันหมายถึงสํารานมากกว่าเตียงที่สํารานนอนแล้วมันสุกมันสบายไม่ต้องการให้สุขสบายจากการหลับนอนให้มันได้พักผ่อนเวลาร่างกายเหนื่อยมันนอนตรงไหนก็มันก็หลับได้นอนกับพื้นนอนกับซอกไหนมันก็หลับได้ พอมันหลับพอมันได้รับพอแล้วมันตื่นขึ้นมามันก็ไม่อยากจะนอนต่อมันก็อยลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมต่อทานอนบนเตียงสําราญเตียงมโหลานเวลามันตื่นขึ้นมาไม่ยอมนุกเลโอ้มันแสนจะสบาย <c oughs> พอนอนต่อก็ทักพังก็เลยเสียเวลาการปฏิบัติไปคําถามจากคุณวิเจ้าค่ะการที่เราต้องอยู่ในครอบครัวที่ไม่ปฏิบัติภาวนา เห็นในค น, คนในครอบครัวมีทุกข์และอัตราสูงทะเลาะกันเรื่องเงินเป็นประจำพอเราจะแนะนําว่าบ้านเรามีพอกินพอใช้แล้วให้ปล่อยวางก็ถูกกล่าวหาว่าบ้าพระบ้าเจ้าหนูควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ ป, ปิดปากเพถอะไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> <c oughs> เราดูแลตัวเราเองก็พอเคนเอื่นเราช่วยได้ต่อเมื่อเขาถามเราเขาขอความช่วยเหลือจากเราถ้าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือก็อย่าไปพูดอะไรเนี๋ยวเขา เดี๋ยวก็สอบกลับเนี่ยนะด่ากลับแทนที่จะเห็นคุณของเราเห็นความหวังดีของเราเพราะกลับหมันไส้ลำคาญเราได้เห็นถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือแล้วอย่าไปให้อย่าไปเสนอหน้าพูดคำถามจาคุณพนิชพลเจ้าคะ่ะการที่เราไปปฏิบัติธรรมจิตของเรารับรู้ความรู้สึก ทุกและสุขเราไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนอยู่ที่ไหนก็รับรู้ถึงเรื่องทุกและสุขได้อย่างนี้ถูกไหมครับมันไม่ใช่เรื่องของการรับรู้มันเรื่องของการดับทุกถ้าเราดับทุกได้ที่ไหนก็ก็ปฏิบัติได้ทุกที่แต่ถ้าเราดับทุกที่บ้านไม่ได้แล้วเราไปดับทุกที่วัดได้เราก็ไปต้องไปที่วัดมันไม่ใช่การรับรู้เฉยๆรับรู้แล้วต้องไม่ทุกกบมันถ้ารับรู้แล้วยังทุกกบมันอยู่ก็ใช้ไม่ได้ คำถามจากคุณสาชิธรเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิที่บ้านจิตจะไม่นิ่งแต่เวลามาปฏิบัติที่วัดถือศีลแปดทำไมถึงนิ่งเจ้าคะจะทำอย่างไรที่จะให้ปฏิบัติที่บ้านแล้วนิ่งเหมือนตอนอยู่ที่วัดได้ไหมเจ้าคะที่มันสัปปายะต่างกันไงที่สัปปายะก็จะทำให้จิตนิ่งที่ไม่สัปปายะก็จะไม่นิ่งไม่สัปปายะก็คือไม่สบายมีอะไรมาคอยรบกวนนิวรต่างๆ มีรูปเสียงกลิ่นรสมีคนมีอะไรมาคอยขัดมาคอยสร้างความกระทึกขึ้โคลงอะไรนี่มันก็ไม่สับปายอะไปอยู่วัด น, นี่มันจะไม่ค่อยมีเรื่องอกระทึกขึ้โคลงมันจะเงียบจะสงบในเวลาทําสมาธิมันก็จะสงบง่ายคําถามจากคุณออราเจ้าคะ่ะปฏิบัติและทบทวนธรรมอยู่วันหนึ่งได้ยินเสียงแตกโป๊ะกลางอกแล้วทบทวนธรรมอริยศาสตร์ จากนั้นเกิดรู้สึกเหมือนลูกแก้วกลางอกเวลากระทบความรู้สึกรับรู้แต่ไม่รู้สึกแปลกใจเจ้าคะ่ะแบบนี้ถูกทางไหมเจ้าคะแต่ตอนนี้ลูกแก้วหายไปจากอกแล้วกลายเป็นแน่นๆโทสะง่ายกลางอกเป็นครั้งคราวโยมควรทำอย่างไรต่อเจ้าคะก็อะไรเกิดขึ้นก็ให้พิจารณาว่ามันของชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันกลับมา มันไปแล้วก็ให้มันไปมันอยู่ก็ให้มันอยู่ให้รู้เฉยเฉยปล่อยวางคำถามจากคุณบุญเตงเจ้าค่ะ <c oughs> เมื่อเวลานั่งเกิดเวทนาเจ็บปวดภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพร้อมลืมตาได้ไหมครับหรือจะต้องหลับตาครับถ้าห ล, หลับตาได้มันจะสงบง่ายกว่าถ้าลืมตามันจะติดอยู่ข้างนอกมันจะติดอยู่ที่รูปมันก็จะเข้าข้างในไม่ได้ การภาวนานี้เพื่อให้ใจเข้าข้างในถึงจะถึงจะสงบถ้าอยู่ข้างนอกมันจะไม่สงบคำถามจากคุณมินสุดารัตเจ้าค่ะ หนูยังมีความชอบเลือกอาหารอยู่ว่าวันนี้จะทานอะไรดีแต่เวลาเลือกไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ทานก็ง่ายอยู่ง่ายไม่มีปัญหาอะไรในความคิดเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ยึดติดจะเลือกอะไรก็ได้แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรเลยแบบนี้เป็นความเห็นที่ผิดไหมเจ้าคะก็มันพูดได้เนี่ยทำได้ป่าวลองไปกินอาหารที่เราไม่เลือกดูเลย เช่นเวลาอาหารแล้วก็บอกเด็กให้จัดอะไรมาสักสองสาอย่างดูอะไรก็ได้พูดได้แต่ทําได้หรือเปล่าต้องพิสูจน์ดูถ้าทําได้กินอะไรก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ให้สุดนี้ก็เพื่อให้เราไม่ยึดไม่ติดกับรสชาติรูปรูปสีสันของอาหารให้กินเหมือนกินยายามันจะเม็ดขาวเม็ดกลมเม็ดเม็ดเลียวเม็ดสีแดงสีเขียวไม่สําคัญใช่ไหมเราจับยัดใส่ายปากเราเกินเข้าไปแล้วก็จบ อาหาร ก, ก็ควรจะเป็นแบบนั้นควรเป็นเหมือนยาที่เรารับประทานกินได้ทุกรูปแบบขอให้อาหารนั้นทำให้ร่างกายมันอิม่มไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็โอเคคำถามจากคุณอ้อภัศสิตา<ม>เจ้าค่ะเคยพาคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมแต่คุณแม่บอกว่าไม่ใช่ทางคุณแม่ชอบไปทําจิตอาสาร้องเพลงที่โรงพยาบาลกับดนตรีจิตอาสาเจ้าค่ะ<ม>คุณแม่จะได้บุญหรือไม่เจ้าคะได้แต่เป็นบุญน้อยไง ปฏิบัติธรรมนี่มันบุญใหญ่เมื่อเขายังปฏิบัติบุญใหญ่ไม่ได้เขาให้ทําบุญน้อยบุญเล็กไปก่อนตอนนี้คําถามหมดแล้วเจ่าค่ะโอเคก็พอสมควรแล้วนะก็ขอให้ท่านไหวยงนํำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด